วันนี้เป็นวันพระวันที่พระุทธเจ้าทรงให้พวกเราชาวพุทธเข้าวัดกันเพื่อมาทำหน้าที่ทางธรรมวันอื่นเราไปทำหน้าที่ทางโลกหน้าที่ทางโลกก็คือการไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทอง ไปซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือไปซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้ อ, อยารักษาโรคเรียกว่าปัจจัยสี่ทางร่างกายส่วนบรนพระอุตตเาเจ้าให้เราหยุดทำงานทรมาหากินหาเงินหาทองแล้วมาเข้าวัด เพื่อมาหาบุญหากุศลเพื่อที่เราจะได้มีบุญไว้ไปซื้อปัจจัยสี่ของใจเรามีสองส่วนชีวิตของพวกเราเรามีร่างกายและมีจิตใจเป็นเหมือนสองคนเป็นสามีภรรยากันจิตใจกับร่างกาย มาพบกันเวลาที่มาเกิดในโลกนี้ใจนี้มาได้ภรรยาคือร่างกายเวลาที่ร่างกายก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในรันของมารดาเวลามีการผสมพันทาให้มีร่างกายเกิดขึ้นมาใจก็มาสู่ขอใจเป็นเจ้าบ่าวมาสู่ขอเจ้าสาวคือร่างกาย แล้วก็อยู่กินกันร่วมกันในท้องไปก่อนแต่งงานตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่ปปฏิสนธิขึ้นมานี้เรียกว่าเป็นการแต่งงานของร่างกายกับจิตใจแล้วก็อยู่ร่วมกันในท้องอาศัยปัจจัย4ของร่างกายที่ได้มาจากของแม่มารดาเรื่อง เด็กในคันด้วยอาหารของมันดาเองแล้วพอจเจริญตอตโตจนอยู่ในท้องต่อไปไม่ได้ก็คลอดออกมาคลอดออกมาก็เป็นเด็กเป็นทารกเราเห็นส่วนร่างกายแต่เราไม่เห็นส่วนใจเราเห็นตัวภรรยาแต่เราไม่เห็นตัวสามี สามีนี่เป็นมนุษย์ล่องขนไม่มีรูปร่างหน้าตาภรรยานี่มีรูปร่างหน้าตามีอาการส2สองแต่ภรรยานี่เป็นคนรับใช้สามีสามีเป็นนายภรรยาเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ ใจคือผู้ใจคือผู้รู้ผู้คิดนผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทรมาหากินไปหาเงินทองเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงภรรยาส่วนสามีอาหารของสามีนี่ปัจจัยสี่ของสามีนี่ต้องเข้าวัดต้องไปหาที่วัดเรียกว่าไปหาบุญกุศล อัจจัยสี่ของใจก็มีดังนี้หนึ่งคือทานการทาทานเช่นถวายข้าวของเช่นสังฆทานบุคคลิกทานถวายข้าวของเงินทองสิ่งของอ า, อาหารบิณฑบาตจีวรที่อยู่อาศัย <c oughs> เวลาเราถวายทานเหล่านี้เท่ากับเราไปซื้ออาหารให้กับใจ เพราะว่าเวลาเราทําทานแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจใจจะมีความสุขจากการทําทานได้มีความอิ่มใจนี่คืออาหารของของใจเกิดจากการทําบุญทําทานส่วนเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือสีสีนี่แหละที่จะทําให้ใจสวยงามหรือไม่สวยงาม ถ้ามีศีลก็จะสวยงามเหมือนกับมีเสืส้อผ้าอภรรที่สวยงามไว้สวมสวมใส่ถ้าไม่มีศีลก็เหมือนใส่เสื้อผ้าอภรรที่ขาดหรือไม่มีสเสื้อผ้าอภรร์ GPA เลยถ้าศีลขาดก็เหมือนกับใส่เสื้อผ้าขาดถ้าไม่รักษาศีลเลยไม่มีศีลเลยก็เหมือนกับไม่มีเสื้อผ้าคนที่ไม่มีเสื้อผ้านี้ไม่กล้าเดินออกไปนอกบ้าน อับอายขายหน้าไม่มีใครเขาจะยินดีต้อนรับคนที่ไม่มีศีลก็เหมือนกับคนไม่มีเสื้อผ้าอภรรเป็นคนหน้ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ฆ่าสัตว์ตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่รักทรัพย์ คนที่ประพฤติผิดประเวณีคนที่พูดบดคนที่เสพสุรายาเมาคนเหล่านี้เป็นคนเหมือนกับไม่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่หรือถ้ามีก็เป็นเสื้อผ้าที่กระลุ่งกระล่งเป็นผ้าขี้ริ้วใส่แล้วดูไม่สง่าผ่าเผยไม่สวยงามแต่คนที่มีสีนี่ ใจ แ, แล้วมีความสงาา่าผ่าเผยสวยงามน่ารักน่าเคารพน่ายำเกรงคนที่มีศีลมากๆนี้เป็นคนที่เราเคารพ ก, กันเห็นไม้มคนที่มาบวชเป็นพระนี่เขาถือศีลตัอง227ข้อพ่อแม่ยังต้องกราบลูกเลยให้ความเคารพแสดงคารวะให้กับลูก ลูกมาบวชลูกเป็นผู้สูงกว่าพ่อแม่แนละพ่อมีสีมีศีลมากกว่าพ่อแม่นี่คือเสื้อผ้าของใจแล้วเราหลังจากนั้นก็ต้องมาหาที่อยู่อาศัยให้กับใจที่อยู่อาศัยของใจก็คือความสงบก็คือสมาธิถ้าเรา มีสมาธิมีความสงบใจเราจะมีที่หลบภัยหลบความวุ่นวายใจต่างๆเวลาที่เรามีความวิตกกังวลมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงามีความเสีย อ, อกเสียใจมีความเครียดแค้นมีอารมณ์อะไรต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายคือสลบก็คือมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจถ้าเรามีบ้าน มีสมาธิมีความสงบเราก็จะหลบเข้าไปได้พอเราเข้าไปในบ้านนี้เข้าไปในสมาธิความทุกข์ความไม่สบายใจจะหายไปนี่คือบ้านของใจแล้วยารักษาโรคของใจก็คือปัญญาปัญญาหรือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ ที่จะมารักษาโรคของใจของเราให้หายขาดเวลาเรามีความไม่สบายใจถ้าเราหลบเข้าไปในสมาธิก็หลบได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาโรคมันก็จะกำเริบขึ้นมาใหม่เวลาอยู่ในสมาธิใจสงบเย็นสบายความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่สบายใจต่างๆหายไปชั่วคราว พอออกจากสมาธิมามาเจอเรื่องราวต่างๆมาเจอปัญหาต่างๆความทุกข์ใจก็โผล่ขึ้นมาอีกถ้าอยากที่จะกาจัดความทุกข์ใจที่เป็นโรคของใจนี้ก็ต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมโอสถปัญญาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นยารักษาโรคใจเราจึงเรียกว่าธรรมโอสดโอสถก็แปลว่ายา ธรรมะก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นยาที่จะมารักษาโรคใจคือความไม่สบายใจความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจนะอย่างทา้าวล่ะถ้ามีปัญญาแล้วไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้เวลามีความไม่สบายใจนี้ใช้ปัญญา เหมือนกินยาพอกินยาปั้ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปนี่คือปัจจัยสี่ของใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาหากันเหมือนกับเราไปทำมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับร่างกายเราก็ต้องมาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้แก่ใจของพวกเรา เพราะว่าชีวิตของเรานี่มีสองคนไม่ใช่มีคนเดียวถ้าเรามมแต่ดูแต่เพียงร่างกายใจของเรานี้จะหาความสุขไม่ได้เลยต่อให้เราร่ารวยขนาดไหนเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่ของใจนี่ใจจะไม่มีความสุขเราให้ได้มามากน้อยเพียงไรได้เงินทองมามากน้อยเพียงไร ตาแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ตามมันจะไม่ได้ทำให้ใจนี้มีความสุขใจก็ยังจะทุกข์เหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมคนรวยคนจนจึงไม่ต่างกันในเรื่องของความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้มีเหมือนกันและคนรวยอาจจะมีมากกว่าคนจนจะด้วยซ้ำไป คนรวยมีเรื่องทุกข์มากมีของมากมีเงินมากก็ทุกข์มากคนมีเงินน้อยก็ทุกข์น้อยดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการดูแลรักษาร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วก็ร่างกายที่เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนก็ต่างมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปอยู่ดี ให้นำรวยขนาดไหนให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันและเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ทุกข์กันใจก็ทุกข์กันทุกทางร่างกายแล้วยังไปทำให้ทุกทางจิตใจด้วยทุกทั้งสองส่วนเวลาแก่ร่างกายก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปวดไปทั่วร่างกาย เวลาตายก็ทำอะไรไม่ได้เลยเสียทุกอย่างไปหมดมีเงินทองมากน้อยเพียงไรมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนมีอะไรมากมายขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้เลยไปตัวเปล่าๆ เ, เวลาตายนี่เป็นเวลาที่สามีกับภรรยาเขาอยากกันภรรยาก็คือร่างกายใจก็คือสามี สามีนี้อายุยาวไม่ตายไม่มีวันตายแต่ภรรยานี้อายุไม่ยาวไม่เกินร้อยปีภรรยาก็ต้องตายไปสามีถ้ายัางต้องการภรรยาอีกถ้าต้องยังต้องการจะมีภรรยาอีกก็ไปหาภรรยาใหม่เรียกว่าไปเกิดใหม่แต่ก่อนจะไปเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อน ถ้าทำบาปไว้ก็ต้องไปรับผลบาปต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกก่อนถ้าทำบุญไว้ก็ไปรับผลบุญก่อนไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆพอผลบุญผลบาปหมดแล้วก็กลับมาได้ภรรยาคนใหม่ ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมาทำมาหากินใหม่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการเลี้ยงดูจิตใจจะเอาแต่เลี้ยงดูร่างกายจะหาเงินทองมากๆจะหาตาแหน่งใหญ่ๆโตๆ จะหาสิ่งของต่างๆมาบำรุงบำเลอปัจจัยสีก็ต้องเป็นแบบพิสดารบ้านธรรมดาอยู่ไม่ได้ต้องเป็นบ้านข้ารหาดเป็นบ้านใหญ่โตมีห้องเป็นสิบ ส, บ ส, บสบห้องมีคนรับใช้มีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเพราะความหลงคิดว่ามีปัจจัยสี แบบพิสดารแบบรูหราแล้วจะมีความสุขมากแต่ความสุขทางร่างกายมีมากมีน้อยมันก็ได้เท่ากันคือมันเหมือนมันมีปริมาณจำกัดคือเหมือนกับตุ่มน้ำตุ่มน้ำใบหนึ่งเราก็เติมน้ำได้แค่ขนาดของตุ่มน้ำความสุขทางร่างกายของทุกคนนี้มีขนาดเท่ากัน คือเท่ากับตุ่มน้ำจะใส่มากน้อยเข้าไปถ้ามันเต็มมันก็จะล้นออกมามันก็จะใส่ได้เพียงขนาดของตุ่มน้ำความสุขของทั้งร่างกายเป็นอย่างไรก็คือเวลาหิวมีข้าวรับประทานตอนรับประทานอิ่มแล้วจะรับประทานข้าวราคาห้าอ ห้าพันมันก็อิ่มเหมือนกันความสุขทางร่างกายของคนรวยกับของคนจนนี่ไม่ต่างกันเท่ากันคนรวยอาจจะต้องกินอาหารมือละหมื่นถึงจะอิ่มคนจนกินอาหารมือละร้อยก็อิ่มเหมือนกันความอิ่มเท่ากันความสุขทางร่างกายเท่ากันคนรวยอยู่บ้านหลังละร้อยล้านบาท คนจนเช่าบ้านอยู่เดือนละสอง0บาทมันก็ได้ความสุขเท่ากันได้มีที่หลบแดดหลบฝนมีที่หลับนอนเหมือนกันเวลาได้หลับได้นอนตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเหมือนกันเสื้อผ้าจะมีสองสามชุดหรือมีสองสามชุดมันก็เหมือนกันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกัน พอเวลาใส่ก็ใส่ได้ทีละชุดทางนั้นไม่ได้ใส่ที3 0 0ชุดใส่ทีละชุดแล้วชุดหนึ่งจะราคามื่นหนึ่งสองหมหรือชุดละ0้อยส0มันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันใส่แล้วมันก็ได้ความสุขเท่ากันความสุขที่เกิดจากการมีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายป้องกันความหนาวเย็นต่างๆ ไม่ให้มากระทบไม่ให้มาทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของทางร่างกายจะราคาแพงหรือราคาถูกก็ทําหน้าที่ได้เท่ากันยังบอกว่าเหมือนกันความสุขทางร่างกายของมหาเศรษฐีกับความสุขทางร่างกายของขอทานหรือของคนยากจนนี้มันเท่ากัน ถ้าได้กินอาหารจนอิ่มมันก็อิ่มเหมือนกันจะอิ่มจะอิ 100, like ่มด้วยราคาหมื่นหนึ่งหรืออิ่มด้วยราคาร้อยหนึ่งมันก็อิ่มเหมือนกันใส่เสื้อผ้าราคาหมื่นหนึ่งหรือใส่เสื้อผ้าราคาร้อยส0งอมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันอยู่บ้านจะอยู่บ้านร้อยล้านหรืออยู่บ้านเช่าเขาเดือนละสองพันสามพัมันก็เป็นบ้านเหมือนกันมันก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเขานั่งกาย ได้เหมือนกันยารักษาโรคจะไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเสียทีคือ1 2หมื่นสองหมื่นหรือไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลเสีย30บาทมันก็รักษาได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ทางร่างกายเราจึงไม่ควรที่จะมาเสียเวลาให้กับการหาปัจจัยสี่ทางร่างกาย มากจนเกินไปเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางร่างกายนี้มาหาความสุขทางใจกันดีกว่าเพราะว่าปริมาณที่เราจะให้ความสุขกับใจนี้มันใหญ่โตมากกว่าความสุขที่เราจะให้กับร่างกายถ้าปริมาณของความสุขทางร่างกายเป็นตุ่มน้ำ ความสุขของทางใจนี่ก็ขนาดสระน้ำสระว่ายน้าอย่างนี้กิน ด, ดูีิว่าใหญ่กว่ากันขนาดไหนความสุขมากกว่ากันถ้าอยากจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของทางร่างกายเราต้องมาสร้างความสุขทางใจมาหาปัจจัยสี่ให้กับใจมาทำบุญทำทานกันทำมากเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากขึ้นไป รักษาศีลได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากขึ้นไปนั่งสมาธิได้นานเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากขึ้นไปมีปัญญามากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเพราะจะทำลายกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นี่แหละคือความสำคัญของวันพระที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนด ทรงบัญญัติไว้ให้พวกเรามาหาความสุขทางใจมาเติมน้ำให้กับใจน้ำในตู่มเต็มแล้วน้ำของร่างกายนี้เต็มแล้วเรามีเหลือเฟือแล้วข้าวก็มีเหลือเฟือเสื้อผ้าก็มีเหลือเฟือที่อยู่อาศัยก็เหลือเฟือยารักษาโรก็เหลือเฟือแต่สิ่งที่ไม่เหลือเฟือก็คือใจอะ ความสุขของใจปัจจัยสี่ของใจนี่แทบจะไม่ค่อยมีกันเลยหิวกันใจนี่หิวตลอดเวลาแล้วเวลาหิวแทนที่จะให้อาหารใจก็กลับไปให้อาหารทางร่างกายร่างกายมันบอกฉันไม่หิวเท่าไหร่ฉันอ้วนจะเป็นตุ่มอยู่แล้วก็ยังให้ฉันกินอยู่นั่นทําไมไม่ให้ใจกินใจาอาหารของใจก็คือต้องทําบุญแทนที่จะเอาเงินไปซื้ออาหารมาให้ร่างกาย เอาเงินไปทำบุญเ อ, เอาเงินไปซื้ออาหารแล้วไปให้คนยากจนหรือไปใส่บาทพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้อาหารใจใจจะได้อ้วนบ้างตอนนี้ใจพร้อมใจเป็นเหมือนขอทานถ้าตายไปก็ไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณคือต้องไปขอเป็นขอส่วนบุญของผู้อื่นเพราะว่าเวลามีชีวิตอยู่ไม่เคย ทำบุญเลยเวลาหิวเวลาอยากแทนที่จะให้อาหารกลับใจกลับไปให้อาหารกับร่างกายร่างกายเลยอิ่มหมีพีมันเวลาตายก็เป็นฟืนก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆใจนี้พร้อมกระหล่องไปก็ไปแบบขอทานไปแบบก็เรียกว่าเปรดเนี่ยเดนี่เป็นพวกที่ไม่มีบุญ พวงที่ขาดอาหารทางใจเพราะว่ามัวแต่หาอาหารให้กับทางร่างกายอยู่เรื่อยๆหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ก็อยากจะได้ซื้อเห็นกระเป๋าใวใหม่เห็นรองเท้าคู่ใหม่เห็นขนมน ม, นมเนยเห็นอะไรอยากได้ไปหมดความอยากนี้อยู่ที่ใจใจมันหิวแต่ใจกลับไม่ได้กินอาหารซื้อให้ร่างกายมากน้อยเพียงไรใจก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิม เราไปเลี้ยงภรรยาไม่เลี้ยงสามีสามีอดอาหารขาดอาหารอาหารของสามีก็คือบุญทำทานทำบุญทำทานนี้เป็นเร่องต่อไปนี้ไม่เชื่อลองทดลองดูถ้าหิวแล้วรู้ว่าเพิ่งกินไปอิ่มๆก็อย่าไปกินมันหิวทางใจต้องไปเสื้ออาหารไปแจกคนยากคนจนไปให้ใครก็ได้ อยากจะกินอะไรก็ซื้อมาแต่เราเราอยากกินซื้อแล้วไปให้คนอื่นเขากินแทนแล้วเราจะได้อาหารทางใจใจเราจะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาไม่เชื่อลองทำดูเวลาเราเห็นคนยากจนอดอยากขาดแคลนเราซื้ออาหารไปให้เขากินแล้วเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกมีความสุขไหมพอเราต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดเราเป็นเหมือนเขาเราหิวข้าว แล้วมีคนซื้อข้าวมาให้เรากินนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกมีความสุขใจพอเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ความอิ่มใจขึ้นมาฉะนั้นเวลาใจหิวใจอยากได้กระเป๋าใบใหม่ซื้อมาเลยแต่ซื้อเลาไปให้คนอื่นเรามีแล้วกระเป๋าถ้าเรามีกระเป๋าแล้วซื้อมาก็ไม่จำเป็นต้องมีสองใบเวลาใช้ก็ใช้ทีละใบเย่นั้นเอง กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าข้าวของอะไรต่างๆขนมนมนวยเครื่องดื่มอะไรต่างๆถ้าเราอยากแต่เราล้แต่เรารู้ว่าเรากินมากเกินไปแล้วเพราะเราชั่งน้ำหนักอยู่ทุกวันเราก็รู้ว่าน้ำหนักมันขึ้นแล้วลงถ้าเรารู้ว่าน้ำหนักเราเกินแล้วถ้าเรากินมันก็ยิ่งเกินใหญ่ก็แสดงว่าร่างกายไม่ต้องการผู้ที่ต้องการอาหารคือใจ ก็เอาเงินไปทำบุญทำทานไปซื้ออาหารแล้วก็ไปเลี้ยงคนแก่คนชราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ได้พ่อแม่ของเราก็เป็นพระอรหันต์ของพวกเราทำบุญกับพ่อแม่ท่านบอกว่าเท่ากับได้ทำบุญกับพระอรหันต์นะถ้าเราร่างกายเราพอแล้วเรายังอยากจะกินอกีกก็ซื้อมาได้ซื้อแล้วก็เอาไปให้คนให้คนอื่นให้คนที่เขาไม่มีคนที่เราพร้อม ผ้อมโซเงี้ยอย่าไปให้คนอ้วนร่างกายเราอ้วนแล้วไม่ต้องให้มันแล้วพอแล้วเอาไปให้คนที่พร้อมแล้วต่อไปร่างกายเราจะได้ไม่อ้วนที่อ้วนเพราะมันกินมากมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกคนนั้นก็อ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่ความจริงมันอยู่ที่การกินนี้แหละถ้าไม่กินมันจะอ้วนได้อย่างไรถ้ามันกินน้อยมันจะอ้วนได้อย่างไรที่มันอ้วนเพราะมันกินมาก เพราะร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนถุงเนี่ยถุงถ้าเราใส่ของมากมันก็มันก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใส่ของน้อยมันจะไ็นหนักได้ไหมนะเวลาเรามีความหิวทางใจเราต้องให้อาหารใจให้ด้วยการทำบุญทำทานนะเวลาอยากจะได้อะไรอยากจะไปเที่ยวอยากไปทาอะไรนี่เป็นความหิวทางใจท่นั้น ถ้าเราเอาเงินที่ไปเที่ยวเงินไปซื้อของอะไรต่างเนี่ยมาทาบุญเนี่ยใจเราจะอิ่มเลยแล้วต่อไปเราจะไม่คิดอยากจะเที่ยวไม่อยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ไม่อยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่นอกจากมีเหตุผลบังคับก็จะซื้อเท่านั้นเช่นถ้ามันขาดเน่รองเท้าขาดไม่มีใส่ก็จะซื้อแบบนั้นแต่จะไม่ใช่ซื้อเพราะความอยากเห็นรองเท้า ขายอยู่ในร้านสวยก็อยากได้ขึ้นมาอันนี้ซื้อตามความอยากเพราะใจหิวใจขาดอาหารใจขาดบุญใจไม่ได้ทำบุญไม่ได้ใจอยากได้อะไรโดยไม่มีเหตุผลบังคับจริงๆก็แสดงว่าต้องซื้ออาหารทางใจไม่ใช่ซื้ออาหารทางร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้มันกินมากเกินไปแล้วกินวันละต้องสารสี่มือ้อ จริงๆร่างกายนี่กินวันละมื้อก็พอพระที่มาบวชกันนี่ท่านชันวละมื้อท่านนั้นเองท่านจึงไม่อ้วนกันเนีพอท่านพราท่านคอยเอาอาหารให้กับใจแทนที่จะให้อาหารกับร่างกายท่านจะคอยให้อาหารกับใจท่านจะเสียสละแบ่งปันมีอะไรเหลือท่านก็จะไม่เก็บเอาไว้เอาไปแจกใจแบ่ง แจกจ่ายคนยากคนจนไปไม่อยากจะได้อะไรมากเกินกว่าที่จําเป็นจะต้องมีพระสมบัติของพระนี่พระพุทธเจ้าสอนให้มีไว้เพียง8ดชิ้นก็พอให้มีบาตไว้ใบหนึ่งไว้สําหรับหาอาหารให้มีผ้าสามผืนไว้สวมใส่ผ้าจีวรเรียกว่าไตรจีวรผ้าไตรสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืน ถ้าหมกันหนาวอีกหนึงผืนมีสามผืนนี่ก็พอแล้วก็แล้วก็ให้มีที่ลัดเอวเข็มขัดลัดเอวนึงเส้นแล้วก็มีมีเข็มก็ได้ไว้ซ่อมจีวนเวลามันขาดมีมีดโกนไว้ตรงผมตรงหนวดแล้วก็มีที่กรองน้ำเวลาตักน้ำจากในบอ่อในบึง ในสะนีต้องมีที่กรองเพราะในน้ำมันมีตัวสัตว์มีลูกน้ำถ้าตักน้ำมีตัวสัตว์ขึ้นมากินก็เดี๋ยวกินตัวสัตว์เข้าไปก็จะถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องมีที่กรองน้ำเวลาตักน้ำขึ้นมาใช้นี่คือสมบัติ8ชิ้นของขอ ง, ของนักบวชนักบวชมีแค่นี้ร่างการก็อยู่ได้นะที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามคนไม้ หรือไปอยู่ตามพระตามถ้ำตามเงื้อมผาตามเรือนร้างไม่ต้องมีค้ราชการใหญ่โตไปหาที่มันสงบเงียบไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำมันสงบมันทำให้ใจสงบมันจะเป็นที่พึ่งจางใจไปในตัวนี่คือสมบัติต่างๆของร่างกายของพระภิกษุ สมัยพระพุทธการแล้วสมัยนี้ก็พระที่อยู่ในป่าเขาก็อยู่กันแบบนี้เขาไม่ต้องมีอะไรมากเพราะว่าเขาก็ได้ความสุขเท่ากับพวกเราที่มีอะไรมากมายกายของความสุขทางร่างกายมีเท่ากันได้เท่ากันเพราะไม่มีปริมาณจำกัดไม่สามารถให้มันมากไปกว่า น, นี้ได้เราให้มีบ้านสิทธิ์หลังมันก็เท่าเหมือนกับคนที่เช่าบ้านเขาอยู่ มันก็มีบ้างดลบแดดหลบฝนไว้เหมือนกันดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการให้ปัจจัยสี่กับร่างกายมากจนเกินไปพอร่างกายได้ปัจจัยสี่พอเพียงแล้วแต่ใจยังหิวอยู่แสดงว่าใจขาดอาหารนะเราต้องทำทานนะแทนที่จะไปซื้ออาหารมากินเองเพราะเราเพิ่งกินไปหยกๆยกไม่กี่ชั่วโมงนี้ เราเาไปเสื้ออาหารแล้วก็เอาไปใส่บาตรเราไปเลี้ยงพระไปเลี้ยงเด็กยากจนเลี้ยงเด็กขอทานเลี้ยงไขก็ได้ที่เราอยากจะเลี้ยงเอาไปเลี้ยงได้เลยแล้วเราจะได้ทําให้ใจเราอิ่มได้ถ้าเราทําบุญบ่อยๆใจของเราจะต่อไปจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้กระเป๋า ใ, ใหม่ๆไม่อยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่ถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่จะไม่อยากได้ ถ้าอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเพราะว่ามันของเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วท่านั้นเองนี่คือใจที่มีอาหารหล่เอเลี้ยงจะไม่ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆจะไม่ชอบซื้อของหรูหร า, าต่างๆเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดแต่จะชอบทาบุญจะชอบทำบุญมากๆทำยิ่งมากเท่าไหร่ใจยิ่งอิ่มขึ้นไปท่านั้น นี่คือเรื่องของการมาดูแลใจของเราด้วยการทำบุญให้ทานเป็นการให้อาหารส่วนความสวยงามของใจก็สวยที่ศีลคนที่มีศีลนี่ไปอยู่กับใครจะไม่มีใครลังเกียจคนที่ไม่มีศีลนี่จะไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยเราอยากจะอยู่กับคนที่ข้าไหอยู่กับคนที่รักทรัพย์อยู่คนที่ประพฤติผิดประเวณี อยู่กับคนโกโหกหลอกลงนะอยู่กับคนดื่มสุรายาดเมาหรือเปล่าเราไม่ชอบอยู่กับคนเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นคนน่าเกียหน่ารังเกียจน่ากลัวไม่รู้ว่าจะทำร้ายเราเมื่อไหร่เป็นเหมือนงูอาสารพิษคนที่ไม่มีสีนี่เป็นเหมือนงูอาสารพิษเป็นเหมือนโจรเป็นเหมือนขโมยแต่คนที่มีสีนี่เป็นคนที่ ไม่เป็นสร้างความเลือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับใครจะไม่ฆ่าใครจะไม่ลักทรัพย์ของใครจะไม่ประพูดผิดประเวณีจะไม่โกหกหลอกลวงจะไม่ดื่มสุรายามเมานี่แหละคือความสวยงามของเราของคนเราไม่ได้สวยที่ร่างกายต่อให้ร่างกายสวยงามขนาดไหนมีเสื้อผ้าอา่อนสวย วิจิตพิสดารขนาดไหนมีเครื่องสำอางแต่งหน้าทาปากให้ดูงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ที่เขาอยู่ใกล้เพราะเขายังไม่รู้เห็นรู้แต่หน้าแต่ไม่รู้ใจพอคบกันไปเรื่อยๆถึงจะรู้ว่โอคนนี้ไม่ดีเลยคนนี้ขี้โกงคนนี้ขี้ขโมยคนนี้โกหกหลอกลวง คนที้แย่งผัวแย่งสามีของคนอื่นพอรู้อย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นเราต้องถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีคนชอบเราต้องมีเสื้อผ้าผ่อนที่สวยงามม่สวมใส่คือมีศีลเริ่มต้นในศีลห้า แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปเป็นสีนล้ำตลถ้าเป็นสีล้ำตลนี่ยิ่งสวยงามใหญ่ใส่ชุดขาวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนใครก็เห็นใส่ชุดขาวเขาก็สบายใจลนะคนนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวข่สามีของใครภรรยาของใครไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ร่วมหลับนอนกับใครนี่คือเสื้อผ้าพรของเรานะคือสี แต่เราอยากจะเป็นคนน่ารักขอให้พยายามรักษาศีลกันให้ได้รักษาศีลห้ามันมีประโยชน์ทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ปิดประตูอบายได้เพราะว่า การทำบาสนี้เป็นเหมือนกับการตีตั๋วไปอบายนี่เองการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีการพูดปดเสพตุวลายาเมานี้เหมือนกับเราไปตีตั๋วไปอบายกันตีตั๋วไปเป็นเดรัจฉานตีตั๋วไปเป็นเปรตตีตั๋วไปเป็นผีตีตั๋วไปนรกกันถ้าไม่อยากจะไปอบายก็รักษาศีลห้าไว้ให้ดีแ ล, ล้วรับรองได้ว่าเวลาตายไปนี้จะไม่ต้องไป ใจกรรมในอบายแล้วถ้าทําบุญให้ทานอยู่อย่างสม่ำเสมอก็จะไปสวรรค์แทนที่จะไปอบายจะไปสูงหรือต่ำก็อยู่บุญที่เราทํามากหรือน้อยถ้าบุญน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นต่ำถ้าบุญมากก็ไปสวรรค์ชั้นสูงนี่คืออนิสงส์จากการที่เราให้อาหารกับใจคือการทําบุญ และให้เสื้อผ้าอา่อนกับใจคือการรักษาศีลทําได้สองข้อนี้เราก็ได้รับประกันว่าไปสวรรค์แน่ๆไม่ไปอบายอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากจะเป็นนกเป็นกาไปเป็นแมวเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายไปตกนรกไปเป็นเป็ดก็อย่าไปทําบาปโดยเด็ดขาดพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ดี แ้วนะถ้าอยากจะไปสวรรค์ไปเที่ยวในโลกทิปสวรรค์นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีแต่สิ่งสวยๆงามๆให้เราดูให้เราเสพกันนะก็ต้องทําบุญทําทานทําบุญทําทานก็มีประโยชน์2ออย่างปัจจุบันขณะมีชีวิตอยู่ใจก็อิ่มมีความสุขไม่ต้องไปท่องเที่ยวที่ไหนนะมีความสุขใจ ก็จะไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนไม่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกึน้นกายเพราะใจมีความอิ่มเอิบใจอันนี้คืออาหารใจนะเครื่องนุ่งห่มของใจแล้วถ้าเราอยากจะมีบ้านให้ใจอยู่เราก็ต้องมาถือศีล 8, แปดเราก็มาฝึกนั่งสมาธิกัน แทนที่เราจะไปหาความสุขทางร่างกายเราจะมาหาความสุขทางใจแทนมาสร้างบ้านใจถ้ามีบ้านคือความสงบแล้วมีสมาธิแล้วจะมีความสุขมากจะปลอดภัยจากเรื่องวุ่นวายต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะมีบ้านมีความสุขมีที่หลบภัยเราต้องมาหัดนั่งสมาธิกันมาหัดทำใจให้สงบกัน วันพระที่ให้มาถือศีลปก็เพื่อให้เราจะได้มีเวลามาสร้างบ้านใจกันมาสร้างสติเพื่อจะได้มีสมาธิมีความสงบกันถ้าเราไม่ถือศีลปเราก็ยังเราก็จะไปทะเลถลายไปเที่ยวไปเล่นได้ศีลห้า น, นี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไม่ได้ห้ามไม่ให้กินอาหารมือเย็น ไม่ได้ห้ามไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาแต่ถ้าถือศีลแปดนี้ห้ามไม่ให้ไปเพราะไม่ไม่อยากให้เสียเวลาอยากจะให้เอาเวลามาสร้างบ้านสร้างเรือนใจคือสร้างความสงบสร้างสมาธิการจะสร้างบ้านหรือคือเรือนใจสร้างความสงบได้ต้องมีเวลาสร้างเวลาจเจริญสติสตินี้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะมาสร้างบ้านกัน เวลาเราสร้างบ้านทางร่างกายเราก็ต้องไปซื้อไม้ซื้ออิฐซื้อปูนซื้อเหล็กซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเพื่อที่เราจะได้มาสร้างบ้านได้การสร้างเรือนใจสร้างบ้านของใจก็ต้องใช้ซื้ออุปกรณ์คือสติถ้าเราไม่มีสตินี่เราจะไม่สามารถสร้างความสงบให้กับใจได้เราต้องฝึกสร้างสติจเจริญสติ วิธีที่จะเริยนสติก็มีอยู่40วิธีด้วยกันเราเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่ถูกกับเราครูบาอาจารย์ท่านมักจะสอนวิธีที่ง่ายและถูกกับทุกคนก็คือพุทโธพุทโธให้เราเลืกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิเท่านั้นเราเลึกพุทโธไปตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย พอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าจะคิดก็ต้องคิดในเรื่องที่จำเป็นเช่นเรื่องที่เราจะต้องทำในวันนี้วันนี้มีงานอะไรต้องทำบ้างหรือเวลาเราทํางานอะไรที่ต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอเราทางานเสร็จแล้วเราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อควบคุมความคิดไว้ให้คิดให้น้อยที่สุด เพราะถ้าใจคิดแล้วมันจะไม่สงบนั่นเองถ้าเราหยุดคิดได้ใจก็จะสงบพุโทโธนี้เป็นเหมือนเบกรกล้ยนนะถ้าล้ยนต์ไม่มีเบรกเวลาวิ่งไปแล้วเวลาจะหยุดมันหยุดไม่ได้ถ้าเบรกแตกไปถึงสีแยกไฟแดงก็ต้องวิ่งฝ่าไฟแดงไปถ้ามีรถมาจากทางอื่นก็ชนกันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ถ้ามีเบรกพอถึงเวลาที่จะเบรกก็เบรกได้ ถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบเราต้องหยุดความคิดของเราเราต้องสร้างเบรกขึ้นมาเบรกที่จะหยุดความคิดของเราก็คือสติคือพุทโธพุทโธนี่คือวิธีหนึ่งวิธีหยุดความคิดก็พุทโธอีกวิธีหนึ่งก็คือสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ ไ, นไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปภายในใจอารหังสัมมาสวัสคาโตสุปัตถิปโนสวดมาไปทั้งวัน อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวสวดจนมันมันมันมันเมื่อยมันก็หยุดสวดเองพอหยุดสวดมันก็หยุดคิดไปเพราะมันไม่มีแรงที่จะคิดละเพราะเราแรงมาสวดจะกระทั่ ง, งมันไม่มีแรงที่จะคิดอะไรมันก็จะไม่คิดอะไรเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกไปการดูลมก็เป็นการใช้สติอีกแบบหนึ่งสร้างสติขึ้นมาอีกแบบหนึ่งการสวดมนก็เป็นการสร้างสติ การบริกรรมพุทโธก็เป็นการสร้างสติเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถูกกระติกกับเราที่เราทําได้ทําไปเลยสวดไปให้มันเหนื่อยจกนกระทั่งไม่มีแรงสวดมันพอหยุดสวดแล้วมันก็จะหยุดคิดมันจะไม่อยากจะคิดอะไรเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับการสวดเราก็ไปนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมต่อถ้าเรานั่งเฉยๆหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออก เดียวใจก็รวมเข้าสู่สมาธิได้ดูลมก็ให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปตามลมเข้าตามลมออกดูตรงจุดเดียวตรงจุดที่มันเข้าออกตรงปลายจมูกให้เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมกำลังละออกมาลมสั้นก็รู้ว่าสัน้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบ ล, ลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆ ไม่ต้องไปทําอะไรกับลมไม่ต้องไปบังคับลมแล้วถ้าเราดูเฉยๆไปเดี๋ยวจิตก็จะสงบถ้ารู้เราไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบแล้วใจก็จะสบายเวลาสงบมันก็เหมือนกับตกตกลงมาจากที่สูงวูบลงไปแล้วก็นิ่งเย็นสบายเบาอกเบาใจมหัศจรย์ใจถ้าเป็นความสงบจริงๆนี่มันจะมหัศดสะใจ วามันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพอไปเปิดดูลอตเตอรี่ไปดูไปดูที่เขาประกาศรางวัลเอ๊ะเลขเหมือนกันเนี่ยใจจะรู้สึกยังตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยอันนี้ก็เหมือนกันแต่มันเต้นคนละแบบเต้นแบบถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมันเต้นแบบสัน่นแต่เต้นแบบาความสงบนี้มันเต้นแบบนิ่งมัน มันต่างกันตรงนั้นแต่มันมนความรู้สึกที่มหัศจรรย์ใจเหมือนกันถ้ามันสงบจริงๆมันจะไม่ไปถามใครหรอกสงบหรือย่างความสงบเป็นยังไงถ้ามันยังไม่รู้ว่าถ้ายังไม่สงบมันหลับไปมันก็จะไปถามว่าอย่างนี้เป็นความสงบหรือเปล่าถ้าไปถามเขาก็แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วถ้ามันเป็นความสงบจริงๆมันไม่ต้องถามใครหรอกมันเป็นของที่มันจะร้องอ๋อขึ้นมาเอง เหมนกับเวลาถูกรอตลี่วันที่หนึ่งไม่ต้องไปถามใครว่าฉันตื่นเต้นฉันดีใจไหมมันเต้นจะตายเนี่ยจาควบคุมมันไม่อยู่อ่ะดินั่นแหละเวลาจิตมันสงบก็มันก็ตื่นเต้นเหมือนกับแต่แต่ไม่เต้นแบบเต้นมันเต้นแบบสงบมันมันมีความปิติมีความสุขมาก นี่คือที่อยู่อาศัยของใจถ้าเรารู้จักเข้าสมาธิแล้วเวลาเราเจอปัญหาเจอความทุกข์ต่างๆเช่นแฟนไปแอบไปมีอีหนูเงีย้ยใจทุกข์ขึ้นมาก็เข้าไปนั่งสมาธิเดี๋ยวเดียวก็หายทุกข์ละช่างหัวมันมันมันไปแล้วเราจะไปห้ามมันได้ไงมันทําไปแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อเสีย อ, อกเสียใจมาโกรธมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆทุกข์ไปทําไม เขามีความสุขแล้วามาทุกข์กับเขาทําไมแล้วก็มีความสุขของเราสิแล้วก็กลับก็ล้วก็เข้าไปในสมาธิไปหาความสุขของเราก็ได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วใครจะไปมีอะไรไม่เสียใจหรอกอยากจะไปก็ไปเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเราล่ามโซ่เขาไม่ได้หรอเ ก, ก็ไม่ได้ถ้าเขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปนี่คือเรื่องของปัญญา ถ้าเรามีปัญญาเราจะปองได้เราจะปองว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแฟนเราไม่แน่นอนบางทีมันก็จะอยู่กับเราบางทีมันก็จะไปมันไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราของอะไรที่อยู่กับเรามันก็เป็นของเราพอมันไม่อยู่กับเรามันก็ไม่เป็นของเราแล้วเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจให้รับกับเหตุการณ์ต่าง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงต้องมีวันพัดภาคจากกันพราไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเวลาเราสูญเสียอะไรไปนี้เราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วเตรียมรอลับกับเหตุการณ์เมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่า ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเวลนมามตัวเปล่าๆก็ไม่ทุกข์กับอะไรแล้วเวลาจะกลับไปอยู่แบบตัวเปล่าๆทำไมจะอยู่ไม่ได้ถ้ามีสมาธิก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรก็เข้าไปในสมาธิแทนไปหาความสุขในใจเราดีกว่านี่คือปัญญาเราต้องไม่ยึดติดต้องปล่อยวางต้องเตือนใจสอนใจว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเป็นสมบัติชั่วคราว มีวันที่จะต้องจากเราไปช้าหรือเร็วถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายที่เรามีอยู่นี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งมันก็จะต้องไปอยู่กับสับปะเลยเดี๋ยวก็ยกให้สัพปะเลอะลพ่อแม่สามีภรรยาก็ไม่อยากจะเก็บเราไว้ละเวลาที่เราไม่มีลมหายใจเราก็ยกให้สับปะเดอะไปรักกันขนาดไหนห่วกันขนาดไหน พอไม่มีลมหายใจแล้วก็เป็นของสับเปล่าไปนี่คือความจริงเรียอกษัตรัจธรรมที่พวกเราไม่ยอมมองกันพอเราไม่คิดกันไม่มองกันก็เลยคิดว่ามันไม่เกิดกันคิดว่าจะอยู่กันไปเรื่อยคิดว่าจะเป็นสามีเป็นภรรยากันไปเรื่อยเหมันไม่คิดถึงความตายกันไม่คิดถึงความพัาดพลาดจยากกันพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ตกใจกลัวทุกข์กัน เพราะทใจไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนเหมือนกับนักเรียนไม่ดูหนังสือเลยพอถึงวันสอบก็สอบตกไม่ได้ทําการบ้านแต่นักเรียนที่มันทอยทําการบ้านอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาวันสอบก็สอบได้อย่างสบายแต่ในข้อสอบของเราก็คือการพัดพลาดจากกำเพราะของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ไม่ได้เป็นของของเรามันไม่เป็นของที่ เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันใหม่ๆมันได้มามันก็ใหม่พออยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็แก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็เสียไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นข้าวของก็เหมือนกันรถเวลาซื้อมามันก็ใหม่ใหม่ๆก็ใหม่ดีใช้ได้ดีพอใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เริ่มเสียละเดียวยางแตกเดี๋ยวเครื่องเสีย ก็ใช้ไม่ได้ต้องไปเข้าอู่นี่คือเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเสื่อมไปถ้ามันต้องหมดไปในที่สุดถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจคอยสอนใจให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะเรารู้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เราเลยไม่ไปยึดไปติดมัน เราเลยไม่ได้ไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนไม่อยากให้มันไม่เส proces, <S <s ื <S <s <S together, ่อมเพราะเรารู้ว่ามันต้องเสื่อมมันต้องเปลี่ยนมันต้องหมดนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องเปลี่ยนไปจะต้องเสื่อมไปจะต้องหมดไป นี่คือปัญญาที่จะสามารถรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องกลับมาหาภรรยาคนใหม่ที่เราต้องกลับมาหาภรรยาคนใหม่ก็มาหาร่างกายอันใหม่ก็เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาเรายังคิดว่าการมีร่างกายนี้จะมีความสุข มีร่างกายแล้วจะได้มีหาเงินหาทองได้หาภรรยาหาสามีได้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้ยังไม่มีใครอยากตายกันนะเพราะตายแล้วมันไม่มีร่างกายแต่พอตายแทนที่จะเข็ดก็ไม่เข็ดตายแล้วก็กลับมาหาร่างกายอันใหมเ่เพราะยังอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขเองพอมามีร่างกายก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์อีก คนที่มีปัญญาก็จะไม่มาแล้วพอแล้วทุกนั่งกายก็คือความทุกข์ดีๆนี่เองความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ความสงบนี้ความสงบนี้ไม่ต้องมีร่างกายความสงบนี้มีสติมีปัญญาสองตัวพอแล้วมันจะรักษาใจให้สงบไปตลอดไม่ต้องมีร่างกายมาให้ความสุขเอาความสงบมาให้ความสุขดีกว่าถ้ามีความสงบแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านมีความสงบกันท่านก็เลยไม่ต้องมีร่างกายท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมาวุ่นวายกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มาทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกอตอนต้นก็คิดว่ามีเขาแล้วจะมีความสุขที่ไหนได้พอได้มาจริงๆกลายเป็นความทุกข์ไปหมดแต่ก็ไม่เข็ด เพราะเรายังไม่มีความสุขทางใจเราเลยต้องอาศัยความสุขทางร่างกายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทุกข์ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยถึงแม้จะทุกข์กับสามีก็ยังดีกว่าไม่มีสามีใช่ไหมอย่างน้อยเวลา เ, เวลาได้ร่วมหลับนอนกันมันก็ยังมีความสุขบ้างอยู่คนเดียวมันเหงามันว้าเหวมีสามีมีภรรยามันก็มันก็ไม่ว้าเหวแต่มันก็จะวุ่นวายมันก็จะทุกข์ไปอีกแบบหนึ่ง ทุกเพราะเขาอาจจะไม่ดีกับเราทุกเพราะว่าเขาจะทะะ้ะทะเลาะกับเราอันนี้งก็เป็นความทุกข์ที่เราจะได้แต่ก็ได้ความสุขจากการที่ได้อยู่กับเขามันก็ทำให้เราไม่เหงาไม่ว้าเวนี่ก็คือเรื่องของปัจจัยสี่ของทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหยุดทำงานงานอาทิตย์ละหนึ่งวัน เพื่อมามาหาปัจจัยสี่ให้กับใจถ้าใจเรามีปัจจัยสี่แล้วต่อไปใจของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ mm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้อัน mm. นี้มากันเองนะ เยอะแยะเลยตั้งแต่ถ่ายทอดสดนี่คนรู้จักเยอะขึ้นนะดังครับดังถ้าใครมาที่หลังเนอยากจะถวายข้าวของก็ยังเข้ามาได้อยู่นะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะถามต่อปัญหากันอีกช่วงหนึ่ง ใครต้องการหนังสือซีดีก็เธิ่หยิบได้นะแจกหยิบได้ตามสบายขอเอาไปอ่านอย่าเอาไปแจกคนอื่นนะเพราะถ้าเอาไปแจกมันจะไม่พอแจกกันเอาไปเฉพาะของเราก็แล้วกันถ้าเราอยากจะแจกก็เอาของเราเนี่ยจะไปแจกจะได้บุญกว่าเอาของคนอื่นไปแจกเราอ่านเสร็จแล้วถ้าเราเห็นว่าดีเราไม่ต้องเก็บเอาไว้เราอยากให้คนอื่นก็ก็เอาไปให้เขาไปอย่างนี้จากแบบ น, นี้ได้บุญ ถ้าแจกแบบเอาจากที่นี่ไปเยอะๆอย่งนี้มันไปพรามโลกแต่อยากจะถามปัญหาก็ถามได้นะวันนี้แต่ต้องออกเสียงดังหน่อยต้องขึ้นมาที่ศาลาเขาจะได้ยินเสียงคำถามถ้าจารยคะหนจะขออนุญาตถามค่ะคือเวลาที่เรา จะเดินปัญญาทางด้านอสุภะค่ะถ้าเกิดว่าเราเรามีภาพของอสุภะอยู่ในใจเวลาที่เกิดการมราคะนี่เราสามารถดึงมาจะใช้ตัดการมราคะนั้นได้หลังจากนี้เราจะพัฒนาปัญญาด้านนี้อย่างไรต่อไปคะครับก็ทดลองไปเรื่อยๆเวลาเกิดการมอารมขึ้นมาดูว่าจะตัดมันได้ป่าใหม่ๆมันอาจจะตัดได้นานๆไปมันอาจจะเพ้อหรือเปล่า หรือกำลังของกามราคามันแรงขึ้นหรือเปล่าเ็เหมือนกับคนอดน้ำอดน้ำวันสองวันแรกก็อาจจะมันหิวมากถ้าอดสัก7วัน10วันความหิวมันอาจจะมากขึ้นมากซึ่งเราอสุภะของเรามีกำลังที่จะหยุดความอยากของมันได้หรือเปล่าเั็งถือศีล8แค่วันเดียวนี่มันมันความอยากมันมันยังไม่แรง ถาถือสินแปะไปสักเดือนสองเดือนหรือสามเดือนนี้ความอยากมันอาจจะแรงขึ้นเราดูว่ า, าสุภาเรามันจะสู้กับมันได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าคิดว่าสู้มันได้ก็ลองแหย่มันดูลองคิดถึงอะไรที่ทําให้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาดูดูว่านึกถึงภาพที่เคยทําให้เกิดอารมณ์แล้วมันมันยังจะเกิดหรือเปล่าเกิดแล้วดับมันได้หรือเปล่า มันจะได้รู้แน่ชัดว่ามันไม่ไปหลบมุมอยู่ที่ไหนบางทีมันไปหลบซ่อนตัวอยู่เพราะมันรู้ว่าเรามีสุภะคอยไปดักมันมันจะรอเราเวลาเผลอเราเลิกพิษเลิกพิจารณาสุภะ้เดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไอตัวนี้มันมันแยกค่ายมันหลายสารพันคม บางทีมันหลบมันแต่ไม่ตายเราคิดว่ามันตายพอเราเผลอปั๊บไปเห็นอะไรปิ้งขึ้นมานี่ใจนี่ไปเลยหยุดไม่อยู่ยอสุภะหายไปหมดเลยแล้วที่ที่หลวตาเคยเทศนะคะว่าให้ลองลองมองภาพที่เป็นสุภะเนี่ยให้คือไม่ต้องกลับเป็นอสุภะแต่ว่าให้พิจารณาไปเรื่อยๆก็อย่างที่พูดไงให้คิดถึงภาพที่ทําให้เรา กระตุ้นการอารมเลยดูว่ามันจะกระตุ้นได้หรือเปล่าภาพที่เราเมื่อก่อนเคยกระตุ้นการมารมเดีย๋ยวนี้เราดูมันแล้วเฉยเฉยหรือว่ายังลื้อไม่เฉยเฉยเลือกเือเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเราดับมันได้หรือเปล่าหรือเราต้องไประบายการอารมณ์แบบเดิมแบบเดิมก็คือไปหาไปนอนหลับกับใครหลับนอนกับใคร ราต้องไปพิสูจน์ดูทดสอบดูทดสอบใจดคูคือดับด้วยการที่มองกลับให้เป็นอสุภาก็ได้หรือว่าคือถ้าใ้ดีกว่านั้นคือมองมองสุภาแต่ว่าไม่ให้เกิดอารมณ์ทางด้านนี้เลยไม่เกิดได้ก็ดีนี่ถ้าเกิดแล้วก็ดับมันได้หรืเปล่ า, ม, ามันก็เหมือนกันก็เหมือนกับเราเป็นนักดับนักดับไฟปย่ายอไฟเกิดที่ไหนแล้วก็ดับปุ๊บดับปุ๊บได้ ทีนั้เราอยากจะทดสอบ ว, ว่าสมัติตอนนี้ไม่มีไฟเราก็ลองไปจุดไฟดูหน่ยจุดไฟแล้วดูว่าเราไปดับมันได้เปล่าเมื่อก่อนให้มันไฟเกิดแล้วเราไปดับทีนี้ตอนนี้มันไม่มีไฟเราก็เลยไม่รู้ว่ามันดับจริงหรือเปล่าก็เราก็ลองจุดไฟเลย ถ, ถ้าดับไปได้ทุกครั้งก็คือถือว่าจริงพ อ, อถ้าไม่มีการมาลมมันก็ไม่มีการมาลงถ้ายังมีอยู่มันก็ยังมีอยู่ เอามาทางบ้านเลยเอามาครับต่อไปเป็นคําถามจากจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณเทียบนะคะได้นั่งภาวนาอยู่ตอนนั้นจิตได้รับรู้กลิ่นเครื่องหอมกลิ่นหอมไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้ไม่ใช่น้ําอบนะคะเลยรีบย้อนกลับมาดูความรู้สึกที่จิตว่ากลัวไหมมีความรู้สึกจิตดวงหนึ่งคําถามขึ้นว่ากลัวไหมจิตอีกดวงบอกว่าไม่กลัวอยู่กับพุโทโธจะกลัวอะไร ถ้าจะตายให้ตายไปพร้อมพุทโธไม่กลัวแล้วจิตก็บริกรรมพุทโธจิตนั้นมีความสงบแล้ว <c oughs> แล้วยิ้มจนรู้สึกเหมือนหน้าขยับยิ้มจากข้างในคือสภาวะอะไรคะลิมิตเหรอคะก็จิตสงบเนี่ยเวลานั่งสมาธิไปเดี๋ยวมันก็มีสิ่งต่างๆให้เรารับดูได้กลิ่นบ้างเสียงบ้างรูปบ้างเราก็อย่าไปสนใจให้พุทโธพุทโธต่อไป จนจิตมันเน่งมันสงบมันก็มีความสุขมันก็ยิ้มได้ขึ้นมาคําถามจากคุณวันนิพานะครับเพื่อนฝากถามผู้ที่พิการทางสายตาทั้งที่โดยกาเนิดและมาพิการภายหลังสามารถปองเห็นได้ไหมครับถ้านั่งสมาธิเคยนั่งสมาธิแล้วมองเห็นเหมือนกับลืมตาอยู่หลายวันใจก็คิดว่าเหมือนตาทิพย์หรือเปล่าแต่ไม่ได้สนใจแล้ว ก็หายไปหลายปีมานี้ไม่เกิดขึ้นอีกครั้งแรกดีใจเพราะคิดว่าคนที่พิการทางสายตาน่าจะมองเห็นได้โดยการนั่งสมาธิเกิดคนตาบอดกับคนตาดีเวลานอนหลับฝันนี่เห็นกันรอเปล่าคนตาบอดก็เห็นใช่ไหมเวลาฝันฝั น, ห น, นเห็นนู่นเห็นนี่ฝันต้องไปนูน่นไปนี่ว่าเวลาฝันเวลานอนหลับนี่มันไม่ต้องใช้ตานอกมันใช้ตาในา เวลานั่งสมาธิเราก็ใช้ตาในกันเวลานั่งสมาธิเพื่อเราจะได้เปิดตาในปิดตานอกเวลานั่งสมาธิเราปิดตานอกเพราะเราต้องการที่จะดูโลกทิพย์กันดูกายทิพย์กันเราก็ต้องปิดตานอกงั้นคนตาบอดหรือคนตาดีนี่นั่งสมาธิได้ผลเท่ากันเหมือนกันได้เห็นเหมือนกันเพราะว่าตาในไม่บอด ตาานของคนตาบอดกับตาานของคนตาไม่บอดนี้ไม่บอดด้วยกันทั้งคู่บอดเพราะว่าไม่ได้นั่งสมาธิบอดตอนนี้ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิตอนนี้บอดไม่เห็นโลกไม่เห็นนลกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเพราะไม่ได้นั่งสมาธิกันพอนั่งสมาธิแล้วมันก็จะเห็นนาโกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิด แม้แต่ผู้ที่พิการโดยกำเนิดก็เห็นได้ใช่ั้ยครับอามันไม่เกี่ยวกันนะมันคนสองคนไงร่างกายกับใจเป็นคนละคนอย่างที่เมื่อกี้เทศร่างกายเป็นภรรยาใจเป็นสามีภรรยาตาบอดแล้วสามีต้องตาบอดตามด้วยหรือเปล่าสามีตาไม่มีวันบอดสามีไม่มีวันตายไม่มีวันบอดแต่ภรรยานี่มีวันตายมีวันบอดได้ คำถามจากคุณทวิชานะครับพระที่สำเร็จอรหันแล้วสามารถที่จะทำผิดศีลข้อห้าไอศีลห้าได้ไหมคะและถ้าท่านทำผิดศีลบาป ก, กรรมก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านออกจากขันห้าได้แล้วก็ลองไปเป็นดูก่อนสิแล้วค่อยไปถามดูยังไม่เป็นอย่าไปถามมันเสียเวลาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราตอนนี้รักษาศีลห้าให้มันได้ถ้าไม่อยากจะไปอบาย คำถามจะคุณอยู่กับปัจจุบันฝึกเจริญสติตามที่พระอาจารย์แนะนําแต่ยังพบว่าความว่างแต่ขณะทํารรกิจประจำวันกลับพบว่ามีความสุขเหลือเกินเช่นกวาดบ้านอยู่แล้วมันเหมือนปิ๊งขึ้นมาว่ากวาดบ้านสุขเหลือเกินรู้สึกเหมือนใจพองโตมีความสุขมากอย่างนี้คืออะไรคะก็ใจว่างไงใจไม่ปรุงแต่ง ถ้าปุงแต่งการเปความทุกข์ขึ้นมาได้ว่าบนกูทําไมต้องมากวาดบ้านทําไมมันไม่กวาดปล่อยให้กูกวาดคนเดียวใช่หไหมมันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ปุงแต่งมีหน้าที่กวาดก็กวาดไปใครจะทําไม่ทําก็เรื่องมันช่างหัวมันแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปกวาดไปมันก็มีความสุขขึ้นมาได้คําถามข้อต่อไปจากนายอํานวยนะครับ จิตของกระผมเป็นเสมือนลูกโปง่งถ้าปล่อยให้ว่างและว่างนานเท่าไหร่ก็เหมือนลูกโปง่งโดนเป่าลมเข้าเยอะๆเป็นตรงกลางหน้าผากขอรับเวลาพองก็จะมึนทั้งหัวเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วขอรับลักษณะอย่างนี้จิตลงรวมเป็นสมาธิใช่หรือไม่ขอรับถ้ามึนหัวไม่ไม่ใช่แล้วละ่ะถ้าจิตเป็นสมาธินี่มันจะสบายมันจะไม่มีอาการอะไร มีแต่เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจอย่างที่เมื่อกี้คนที่กว่าบ้านเล่าให้ฟังสบายแบบนั้นคำถามจากคุณนัทนันนะครับอยากกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราซื้ออาหารมาแต่ให้ผู้อื่นทำไปถวายาพระพิสุเราจะได้บุญไหมคะเพราะเคยได้ยินมาว่าต้องถวายด้วยตัวเองเออ ถ้าเราไม่มีเวลาไปทําเองหรือไปถวายเองแต่เป็นเงินของเราเราก็ได้บุญนั่นแหละเป็นแต่ว่าเราอาจจะขาดบุญจากการที่เราทําเองเท่นั้เองซึ่งไม่จําเป็นถ้าเรามีเวลาน้อยเราไปทําอย่างอื่นที่สําคัญกว่าก็ได้บุญที่สําคัญก็คือ mm hmm. เงินที่ไปซื้ออาหารมาเนี่แหละส่วนการจะไปถวายให้เราเขาได้บุญนิดเดียวเขาทาหน้าที่เป็นเหมือนกับบุรุษไปชนีเป็นคนรับส่งของให้เรา ่ของนี้เป็นของเราเงนั้นบุญ 99.9 เป็นของเรามีจุด 0.1 เป็นของคนที่เขาเอาไปถวายให้กับเรานะนะเพราะฉะถ้าไม่มีคนเอาไปถวายมันก็ไม่สําเร็จผลใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องอาศาัยคนเอาไปถวายนี้เราไม่สะดวกที่จะไปอาจจะพิการอาจจะไม่มีเวลาอาจจะติดอะไรก็ให้คนอื่นไปทําให้ คำถามจากคุณเพียวนะครับกราบขออุบายพระอาจารย์เกี่ยวกับการปล่อยวางเรื่องการอยู่ใกล้คนที่ขาดสติแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นคนที่ชวนคุยตลอดเวลาหรือพูดทุกอย่างที่คิดไม่อยากถือเป็นอารมณ์พยายามสักแต่ว่ารู้เหมือนที่พระอาจารย์สอนแต่หลายครั้งก็ยังวางเฉยไม่ได้ค่ะก็เอาอะไรมาอุดทูนเลย เป็นเป็นคนหูหนวกไปอายุคําถามจากคุณพัชรีนะครับถ้ามีคนเขามาว่าเราทําบุญทําดีสร้างภาพเขาบาปใหม่เจ้าคะแล้วเราเป็นคนที่โดนว่าทั้งที่การทําทุกครั้งทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเราควรรักษาใจเราอย่างไรเมื่อรับรู้ว่าเขาว่าเราคือเราอยู่ในโลกนี้เราต้องยอมรับว่า ในโลกมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศมีฝนตกมีแดดออกเราอยู่กับมันได้ใช่ไหมฝนตกแดดออกฉันใดก็ให้เรามองว่าการสรรเสริญนินทาเหมือนฝนตกแดดออกก็แล้วกันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้แต่ปัญหาของเราคือเราไม่ชอบให้คนเขาว่าเราเราไม่อยากให้เขาว่าเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมา อันนี้เป็นกิเลส ข, ของเราที่เราต้องแก้กันเราต้องบอกว่าต่อไปนี้ใครก็ได้ว่าเราได้ทุกคนอยากจะว่าอยากจะสาบอยากจะแช่งว่าไปเลยถ้าคําสาบคําแช่งของมันมีประสิทธิภาพทําให้เราเป็นไปตามที่มันสาบมันแช่งได้ก็ให้มันรู้กันเราเป็นคนมันม่ว่าเราเป็นควายอา้าวดูซิว่าเราจะเป็นควายกับมันหรือเปล่าต้องกลาให้มันสาให้ให้เขาด่าไปเล ย, ยไปเลยรู้แล้วรู้รอนกัน เรานีไม่ได้อยู่ในโลกนี้คําสรรเสริญคํานินทานี่ห้ามก็ไม่ได้คนที่เขารั ก, กเราเขาก็จะชมเราอยู่เรื่อยใช่ไหมบางทีไม่จริงเขาก็ชมเราสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ไอเราน่าตายขี่เหล่เอเราก็หลงเชื่อเขาไปเพราะชอบใช่ไหมชอบคําชมไม่ชอบคาําด่าเนี่ยคือกิเลสของพวกเราเราต้องยอมเราต้องมาฝืนเปลี่ยนกันบอกว่าอย่าไปชอบคําชมอย่าไปชังอย่าไปเกลียคดคําด่า ทำใจให้เป็นการเฉยๆว่าคิดว่ามันเหมือนกับฝนฟ้ า, ากาดก็นแล้วกันเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้เวลาฝนตกเราไม่เห็นเดือดร้อนเวลาฝนหยุดเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปมีความอยากให้ฝนไม่ตกก็ตกนะอย่างใดถ้าเราไม่มีความอยากให้คนด่าหรือไม่ดา่าเราต่อไปเราก็ไม่เดือดร้อนวิธีที่จะต้องไม่เดือดร้อนก็คือต้องยอมให้เขาดา่ายอมเปียกเวลาเราอยู่กลางฝนอยู่กลางข้างนอก ฝนตกก็ต้องยอมเปียกใช่ไหเปียกก็เปียกไปด่าก็ดาาไปมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไหนละ่ะใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมทุกอย่างเขาว่าเรารวยเราไม่มีเงินสักบาทเราจะรวยได้ไง <c oughs> ขอให้คนรวยนะอย่างมหาภาเนี่ยขอให้เจริญราษยรดสระเะสรนะพูดคนี้ก็ดีออกดีใจเชื่ อ, อรวยไปละมันก็เหมือนเดิมเหรอแต่ชอบกันนะขอพรนะอันนี้มันเกินหนูค่ะ <c oughs> คำถามจากคุณนายิกานะครับโยมพยายามฝึกสติเมื่อเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วเกิดพอใจไม่พอใจเฉยๆถ้าเกิดพอใจก็ดูความรู้สึกที่พอใจจนดับเป็นการตัดวงจรปฏิจจะแค่นี้ใช้ได้ไหมเจ้าคะหรือต้องทำอย่างไรคะถ้าดูเฉยๆไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ก็ใช้ได้เวลาเขาด่าก็อย่าไปเสียใจ เขาด่าก็เฉยเขาชมก็เฉยเวลาชมก็อยากไปดีใจดีใจนี่ก็มีปฏิกิริยาแล้วแสดงว่าชอบแนละ้วเดี๋ยวถ้าเขาไม่ชมก็จะเสียใจฉั้นต้องเฉยอย่างเดียวรู้เฉยเฉยคำถามจะคุณชัยวัดนะครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความเพิ่มเติมที่พระอาจารย์ได้เคยพูดถึงว่า พระพุทธเจ้าท่านรับรองผลสำหรับผู้ปฏิบัติว่าจะเห็นผลไม่เกินเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีครับว่าหมายถึงอะไรหมายถึงการมารู้ธรรมเป็นขั้นเป็นชั้นต้นอันได้แก่โสดาบันหรือครับหรือแค่การมีสติเท่านั้นหรือการเข้าสู่อัปปนาสมาธิครับเอามารูถึงขั้นพระอรหันเลยหรือถ้าไม่ถึงท่านขั้นพระอรหันก็ขั้นพระอาารนาค า, ามีถ้ารับประกันสองขั้นนี้ ถาปฏิบัติแน่ตามตามที่ได้แสดงไว้ในสติปฐานสูตรก็ในสติปฐานสูตรมันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้าปฏิบัติได้ครบวงจรที่ท่านได้แสดงไว้ท่านรับประกันได้ว่าถ้าไม่ได้เป็นพระอารหันต์ก็ต้องได้เป็นพระอนาคามีคําถามจากคุณนารินนะครับการเห็นไตรลักษณ์ของพระโสดาบันแตกต่างกับคนธรรมดาอย่างไรครับ คือเห็นแล้วปล่อยได้ไงเช่นเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องจ้ต้องตายแล้วปล่อยได้เวลาแก่ก็ปล่อยให้มันแก่เวลาเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บเวลาตายก็ปล่อยให้มันตายโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรให้รู้เฉยเฉยไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกเสียใจเฉยเฉยคำถามจากคุณรัตนาพรนะครับระหว่างบริการพุโทโธแล้วรู้สึกเครียดต้องทํา ยังไงถึงจะหายเครียดเจ้าค่ะก็ลองเปลี่ยนอย่างอื่นแทนถ้ามันเครียดก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดอาลังสัมมาสวากาโตสุปัติปันโอไปเพราะใจบางทีมันไม่ชอบมันถูกบังคับให้อยู่กับคําเดียวมันเบื่อมันก็ไม่ชอบมันก็เลยเครียดขึ้นมาแต่ถ้าให้มันให้มันทําอะไรยาวๆมันอาจจะไม่เบื่อก็ได้เช่นถ้ามันไปดูหนังนี่ไม่เบื่อหรอดูได้นานเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อมันไม่เครียด พรามันม so, um, so, ีเรื่องให้มันดูใช่ไหก็เหมือนการถ้าให้อยู่กับพุทโธมันเครียดก็แสดงว่ามันยังไม่ยอมอยู่กับเรื่องเดียวก็ให้มันอยู่กับเรื่องยาวๆก็ได้สวดมนต์ไปยาวๆสวดไปเรื่อยๆสวดไปจนเหนื่อยแล้วค่อยมาพุทโธต่อหรือดูลมต่อก็ได้ถ้ามันสวดจนเหนื่อยแล้วมันจะไม่อยากจะสวดแล้วมันไม่เครียดแล้วให้มันอยู่เฉยๆให้ดูลมเฉยๆมันก็อยู่ได้ คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณจากคุณดิวลี่นะครับการนั่งฟังหลวงพ่อเทศตอปัญหาผู้อื่นในเวลาที่หลวงพ่อเลิกเทศแล้วเสียมารยาทเกินไปไหมครับส่วนเจตนาพอชอบฟังที่หลวงพ่อเทศครับทุกคาเทศฟังแล้วมีความสุขครับแนะนำด้วยครับเสียมารยาทยังไง คงมาแอบฟังเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแม่นแนวนะคือเวลาบางทีมีความจําเป็นจะต้องคุยธุระประปังเรื่องส่วนตัวกับของคนอื่นก็ไม่ควรที่จะเข้ามาเพราะบางทีก็มีเรื่องที่เขาไม่อยากจะให้คนอื่นเขารับรู้แล้วไนั่งสอดฟังนี่มันก็ไม่ควรเขาคงหมายถึงว่าตอนที่นั่งนั่งอ่าฟังถ่ายทอดสดแบบว่าถามตอบปัญหาของผู้อื่นยอะไรเงี้ยครับเวจาร อาอไม่เราอันนี้เป็นทีว่าเป็นสาธารนณะทุกคนทุกคนรับรู้กันแล้วว่าเป็นเรื่องที่ยินดีให้ทุกคนรับฟังได้คำถามเจ้คุณอาเม้งนะครับถ้ามีภรรยาอยู่แล้วและมีภรรยาคนที่สองแต่ได้ไปสู่ขอกับพ่อแม่แล้วจะถือว่าผิดศีลข้อกรเม์ไหมครับและควรทำอย่างไร คือถ้าภรรยาคนที่หนึ่งเขาอนุญาตแล้วพ่อแม่ของภรรยาคนที่สองอนุญาตก็ยังถือว่าถูกประเพณีอยู่ไม่ได้ไปทำแบบหลบๆสบซ่อนๆไปทำแบบผิดกติกาประเพณีก็คือคนที่เป็นแฟนร่วมกันสามีภรรยามีความเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าคุณต้องการมีเพิ่มอีกคนหนึ่งก็โอเคไม่ว่ากันอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเลย คำถามจากคุณวิทวัตนะครับช่วงนี้ผมเห็นใจตัวเองว่ามันทุกข์ที่หน้าอกมันอึนๆตุยๆตลอดเวลาเป็นมาสักพักแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะวุ่นวายมากหลังจากวุ่นวายจะไม่สงบและจะขาดสติหลับลงไปเลยไม่ทราบว่าผมควรทำอย่างไรต่อครับก็ใจของเราก็คงจะมี อิเลสตันหามากมันก็เลยทำให้เกิดอาการที่ไม่ดีขึ้นมาเราก็ต้องใช้พุโทโธไปอย่าคิดมากลดความคิดลงให้มันน้อยลงไปความคิดนี้มันทำให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วพอมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็เกิดความอึดอัดเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาภายในใจฉะนั้นเราหยุดความคิดซะบ้างใช้พุโทโธพุโทโธไป คำถามจะคุณพี่ลงลงนะครับอยู่ต่างประเทศมักพบเจอคนชวนไปเข้าร่วมาศาสนาอยู่บ่อยๆและมักจะเจอคําถามว่าตอนนี้คุณนับถือาศาสนาอะไรจึงได้ตอบไปว่านับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาสูงสุดของาศาสนาพุทธและคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือาศาสนาพุทธต่อมาผู้ชวนเข้าร่วมาศาสนาจึงบอกว่ า, าศาสนาของคุณเป็นมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้าที่สามารถที่จะมีสป i r i t ต o w e r ได้จากนั้นผู้ชวนเล่าถึงการไปนรกสวรรค์พยายามฟังด้วยความเคารพต่อกันบางครั้งฟังดูและขัดหูในใจขัดแย้งบางอย่างเห็นเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องจึงได้บอกขอบคุณผู้ชวนและไม่ได้อธิบายอักไรใดๆแบบนี้ควรมีวิธีพูดอย่างไรช่วยอธิบายความจริงที่ถูกต้องหรือเปล่าคะ ก็เขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเราจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของเราเราห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้แต่เขามบาบังคับให้เราทำไม่ได้เหมือนกันงั้นถ้าเรามีความเชื่อมั่นในศาสนาของเราเราก็เราก็นับถือของเราไปกับศาสนาของเราไปส่วนเขาจะมาชวนก็ปล่อยก็ชวนไป ถ้าเราเบื่อไม่อยากให้เขาชวนก็อย่าไปคบอย่าไปหาก็อย่าไปเจอเขาเวลาเขาจะพูดก็เดินหนีไปต่อไปเขาก็ไม่พูดเองคําถามเจ้าคุณอินทรียปลูกแดงนะครับนั่งสมาธิแล้วตัวโยกไปโยกมาอยากให้พระอาจารย์แนะนําครับว่าต่อไปจะต้องทําอย่างไรต่อนั่งสมาธินี่โยกไม่ได้ถ้าโยกแสดงว่า ม, มีสติ ถ้ามีสติมันจะไม่โยกอย่างตอนนี้ญาติโยมนั่งฟังกันไม่โยกเลยใช่ไหมเพราะว่ามีสติกันใช่ไหมแต่พอนั่งสมาธิกลับไปโยกก็แสดงว่าไม่มีสติเลยไม่มีพุทโธเลยนั่งแบบไม่มีพุทโธนั่งแบบไม่มีอะไรมันก็โยกเลยเวลานั่งมันต้องมีอะไรกำกับใจมีพุทโธแล้วมีการดูลมหายใจถ้ามีการดูลมหายใจมีการพุทโธอยู่มันจะไม่โยกมันจะนิ่งแล้วมันจะสงบ คำถามจากคุณไก่นะครับอยากทำบุญให้พ่อที่ล่วงลับไปแล้วทำบุญแบบไหนท่านถึงจะได้รับมากที่สุดก็เนี่ยซื้อของไปใส่บาทเน่นเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่คนล่วงลับไปแล้วจะรับได้จะรักษาศีลให้พ่อก็ไม่ได้จะนั่งสมาธิให้พ่อก็ไม่ได้จะจะเีวิปัสสนาให้พ่อก็ไม่ได้มีทำได้อย่างเดียวก็คือทำบุญใส่บาทด้วยว่าเอาเงิน ทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่ทําบุญกับพระก็ทําบุญกับโรงเรียนทำบุญกับโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ทําไปแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเขาอ๋อหมายความว่าที่เป็นสาธารณประโยชน์อะได้หมดได้นั่นก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นทานเหมือนกันนะและจะได้เข้าประสงค์หรอครับอาจารย์เหมือนกันประสงค์เป็นเพียงแต่เป็นสะพานเชื่อมเท่านั้นเองคําถามข้อต่อไปจากคุณอัญชลีนะครับ หนูอยากรู้ว่าลุงของหนูเป็นผู้พิการแบบนอนอยู่บนเตียงพูดไม่ได้แล้วหนูจะให้เขาทาบุญอย่างไรทาแทนได้ไหมคะไม่ได้หรอกการทาบุญนี้ต้องออกจากใจของคนของเขาเองถ้าเขาอยากจะทำแล้วก็บอกเออเอาเงินนี้ไปใส่บาตรให้หน่อยนะถ้าอย่างนี้ก็ทำให้เขาได้แต่เขาถ้าเขาไม่ดำริก็ไม่บอกก็ไม่สั่งแล้วต้องเป็นเงินของเขาด้วย งั้นเวลาจะทําบุญทุกคนต้องทําเองคําถามข้อต่อไปนะครับจากคุณตัวละครสมมุตินะครับขุน ก, กาบขออุบายและวิธีเดินจงกรมสําหรับผู้ฝึกใหม่ด้วยครับก็เหมือนกันเน่ยเดินไปก็พุโทโธพุโทโธไปวิธีง่ายที่สุดก็เดินเหมือนปกติที่เราเดินนะแต่อย่าเดินแล้วคิดนูน่นคิดนี่ก็ เอามาพุดโธแทนเท่านั้นเองเดินไปแล้วก็พุดโธแล้วก็ต้องดูเท้าที่เราเดินดูทางที่เราเดินว่าเดินมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไม่ใช่เดินพุโทโธพุโทโธไปเจอต้นไม้ก็ชนตรเข้าไปก็เดินแบบปรับแบบบัติ <c oughs> เดินมันก็ต้องรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรข้างขงมีอะไรแต่ใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย คำถามจากคุณพีออนี่นะครับขณะนั่งสมาธิพร้อมกับฟังเสียงธรรมะรู้สึกว่าเหมือนตัวเราจะเอียงเอียงแต่นึกได้ว่าไม่ต้องสนใจก็ฟังธรรมะต่อไปสักพักหายแต่หลังจากนั้นรู้สึกตัวเราหมุนหมุนวนวนจึงสะดุ้งลืมตาทำไมจึงมีอาการแบบนี้หรือเราไม่ต้องสนใจแค่นั่งพุดโทต่อไป ก็มันเป็นอาการก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปถ้าเรามีสติเราก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับการฟังของเราไปบางทีอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายก็ได้ร่างกายอาจจะวิยนเวียนศีรษะขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจก็ได้ทุกแทะแต่คําถามเจ้าคุณสุพนานะครับสติจรอที่จิตสักระยะพอมีเรื่องกระทบใจรู้สึกสลดใจ ขณะนั้นจิตพิจารณาท่าตสี่ประมวลรวมลงแล้วเกิดระเบิดออกมาแล้วรู้ว่าไม่มีอะไรพับไปสักระยะนำเหตุการณ์นี้มาพิจารณาใหม่แล้วย้อนมาที่จิตรับรู้ได้เลยถึงความว่างคะ่ะอย่างนี้ถูกไหมอ่าก็ถูก่ถ้าจิตเข้าสู่ความว่างได้ก็ถูกปล่อยว่างทุกอย่างคําถามจากคุณตันนะครับ พระอาจารย์เคยบอกว่าลูกที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่บาปแต่จะไม่ได้บุญแล้วถ้าลูกบางคนเอาเงินแม่ไปลงทุนทําธุรกิจจนกระทั่งแม่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วก็ไม่เอาเงินมาคืนแม่บอกว่าธุรกิจยังไม่มีกําไรทําเช่นนี้บาปไหมก็อยู่ที่ว่าแม่ให้ให้เงินไปโดยโดยสาเหตุยังไงถ้าแม่ให้ไปขอแม่แล้วแม่ให้ไปก็ไม่บาป ามาโกหกหรือมาหลอกลวงแม่เงี้ยก็ก็บาปคำถามจะคุณพันณภานะครับทำบุญใส่บาตรค่ะว่าจับมือกันใส่บาตรคนใส่ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันจะได้บุญเท่ากันทั้งคู่ไหมคะหรือว่าให้แยกกันใส่ทีละองค์จะดีกว่ามันไม่ได้อยู่ที่จะจับมือใส่บาตรแล้ว มันอยู่ได้เป็นของของใครถ้าเป็นของทั้งสองคนก็ได้บุญเท่ากันเพราะสามีภรรยานี่เขาจะมักจะถือว่ามีสมบัติมีสมบัติร่วมกันเอานถ้าเอาสมบัติที่เป็นของสมบัติร่วมกันนี่มาทําบุญก็ถือว่าได้บุญเท่ากันคําถามจากคุณเล็กนะครับขณะที่เราภาวนาพุทโธเพื่อให้จิตเรามีที่อยู่เหมือนอยู่ในบ้าน จิตก็ไม่ฟุ้งซ่ากับเรื่องภายนอกใช่ไหมครับถ้าเรามีพุโทโธเราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่เข้ามาในใจเราเมือนตอนนี้ญาติโยมอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงเรื่องราวที่อยู่ที่บ้านเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เคยมีอยู่ที่บ้านมันก็ไม่เข้ามาที่ใจใวิธีที่ทาใจให้เราสบายก็คืออย่าคิดมาก ให้ใช้พุโทโธลบมันออกไปพุโทโธนี่เหมือนยังลบความคิดถ้าพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยเเดี๋ยวความกังวลต่างๆความวิตกต่างๆหายไปหมดแต่มันไม่หายจริงมันหายข้างนอกข้างนอกมันหายยังอยู่แต่ข้างในในใจเราไม่มีถ้าสมมติว่าถ้าเรากลับไปเจอเรื่องวุ่นวายเราก็ลบมันข้างในใจต่อได้ก็พุโทโธพุธโทโธเราต่อไปในเมื่อถ้าเราไม่สามารถไปทําอะไรได้กับเหตุการณ์ต่างๆก็ เราพูดโธพูดโธของเราดีกว่าแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆพุโทโธนี้มีประโยชน์มากแต่พวกเราไม่เห็นคุณค่าเราจึงไม่ค่อยพุดโธกันถ้าพูดโธได้เนี่ยโอ้เวลามีอะไรไม่สบายใจพูดโธห้านาทีเดี๋ยวก็หายละไม่ต้องไปข้ากันไม่ต้องไปด่ากันให้เหนื่อยพออะไรทําให้เราไม่สบายใจเราก็พูดโธพุดโธเราไปเดี๋ยวความไม่สบายใจก็หายไป เวลาโกรธใครก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็หายโกรธถ้าไม่พุโทโธเนี่ยเดี๋ยวกโกรธใคร เ, เดี๋ยวก็ไปด่าเขากลับไปตีเขาไปว่าเขาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาอย่างพยายามหัดทาพุโทโธไว้เถอะถ้าเราพุโทโธลองพุโทโธให้ได้สักห้านาทีดูสิแล้วต่อไปเราใช้พุโทโธห้านาทีนี้ก็พอเวลาอารมณ์ไม่ดีนี้พุโทโธสักห้านาทีมันก็หายไปหมดนะ คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณคุณถามข้อต่อไปคุณฟ้าใสนะครับเมื่อครั้งที่คนในครอบครัวอยู่ในโรงพยาบาลขั้นโคม่าได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเขาหายป่วยจกไปคือศีลแปดที่วัดเจดวันหลังจากนั้นเขาก็หายป่วยจริงๆก็เลยไปปฏิบัติธรรมตามที่อธิษฐานไว้ต่อมาได้มีพระอาจารย์บอกว่าการที่เราทําแบบนี้ ได้ขันติบารมีและสัจจะบารมีอยากถามว่าบารมีทั้งสองนี้คืออะไรและส่งผลอย่างไรกับตัวเราคือเวลาที่เราตั้งอธิษฐานว่าเราจะทําอะไรถ้าเราทําตามที่เราตั้งไว้ก็แสดงว่าเรามีสัจจะคือเราไม่โกหกตัวเราเองบางคนตั้งว่าจะไปอยู่ว่าเจวัน พอก็าหายแล้วก็ลืมแสดงว่าไม่มีสัจจะไม่ไปส่วนขันติก็คือเวลาไปอยู่วัดมันก็ต้องอดทนใช่ไหมเพราะไม่มีใครอยากจะไปอยู่กันอยู่แล้วมันไม่สุขมันอยู่บ้านอยู่บ้ามีข้าวกินข้าวเย็นกินมีหนังดูมีอะไรทํากันพอไปอยู่วัดมันไม่มีมันก็ทุกข์ก็ต้องใช้ความอดทนทนกับความทุกข์นั้นก็ทําให้เกิดมีบรารมีสองอันขึ้นมา มีขันติบารมีมีสัจจะแต่ยังมีนิดเดียวนะต้องทำบ่อยๆไม่ใช่ทำหนเดียวแล้วจะได้เต็มร้อยนี่ไม่ใช่ก็ ต, ต้องทำไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราตั้งใจจะทำอะไรเราก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจไว้เช่นวันนี้จะมาวัดอย่างนี้ตั้งใจมาวัดพอตั้งใจแล้วถึงเวลาก็ต้องมาไม่ใช่พอถึงเวลาเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวไหนก็ไปเลยเปลี่ยนใจนีแสดงว่าเป็นคนหลายใจ คนไม่มีสัจจะคนมีสัจจะนี่ต้องเป็นคนใจเดียวถึงจะทําอะไรสําเร็จได้ไม่งั้นเราจะไม่สามารถทําอะไรสําเร็จได้เพราะตั้งใจจะทําอะไรพอถึงเวลาจะทํำจริงๆไม่ทํำจะละเปลี่ยนใจซะละแต่ถ้ามีสัจจะนี่มันต้องทําคําถามจ้าคุณพัชรานะครับวันก่อนภาวนาหลังทําวัดเย็นแล้วจิตฟุ้งซ่าน สักพักได้ยินเสียงพระอาจารย์ดังขึ้นว่าดึงจิตกลับมาจิตก็กลับมาสงบลงโดยจิตจับที่เสียงพระอาจารย์ไว้แบบนี้ได้ไหมค ะ, ะมันสงบก็ได้เลยคุณอินทรีย์กรูปแดงยั ง, ย, งยังสงสัยเรื่องนั่งแล้วตัวโยกอยากให้พระอาจารย์แนะนําครับก็เวลานั่งไม่ไม่ได้นั่งสมาธิทำไมตัวไม่โยกอ่ะตอนนี้โยกก็เปล่าตอนที่นั่งพิมพ์หนังสืออยู่เนี่ย ไม่โยกเพามีสติใช่ไหมแต่พอเวลาไปนั่งทํามันโยกะอะเพราะไม่มีสติเวลานั่งมันต้องอยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรทั้งอย่างถ้ามันโยกก็หยุดมันได้เนี่ยถ้าเรามีสติใช่ไหมถ้าเรารู้มันโยกเราก็หยุดมันสิถ้าไม่หยุดมันก็แสดงว่าเราไม่มีสติปล่อยให้มันโยกคําถามจะคุณเสริมสักเคยได้ยินว่าถ้าตายไปแล้วจะต้องไปชดใช้กรรมที่ทํามาอยู่ที่นรก ท่านยมพบาลขังวิญญาณไว้ในนรกแล้วทำไมเราถึงฝันถึงคนตายไปแล้วได้แล้วถ้าไม่เคยฝันถึงเลยแปลว่าอะไรครับความฝันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ฝันได้ฝันถึงคนตายฝันถึงคนเป็นมันเป็นความคิดของเราเองเราคิดถึงใครเวลานอนหลับบางทีก็ไปคิดถึงเขาก็เลยการความคิดก็เลยเป็นความฝันไปนั้นเอง คำถามคุณครับรู้สึกคำถามไม่ค่อยเคลียจากคุณกรุงจินนะครับสัตว์มีขันห้าขันมีขันขันเดียวและมีขันสี่ขันคืออะไรบ้างครับขอพระชายาเมตตาอธิบายเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่เล่นเป็นคนแต่งต้องไปถามคนแต่งดูขันห้าก็คือมนุษย์เราเนี่ยมีขันห้ามีร่างกายร่างกายนี้เรียกว่ารูกประขันหนึ่งขันนะ ส่วนนามขันมีอยู่สี่ขันร่างกายของคนเรานี่มีประกอบกันรวมกันรูปประขันกับนามขันรวมกันเป็นห้าขันรูปประขันก็หนึ่งขันนามขันก็สี่ขันถ้าก็พูดถึงรูปประขันนี่เขาพูดถึงเขาพูดถึงร่างกายที่ไม่มีวิญญาณมั้งคือคนตายหรือเปล่าหนึ่งขันใช่ไหมขันห้าขันสี่และขันหนึ่งใช่ไหม ขันหาก็คือร่างกายของพวกเราเนี่ยชีวิตของพวกเราเนี่ยมีห้าขันมีรูปประขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญญ า, ญญาเรียกว่ามีขันห้าพวกเทวดานี่มีขันสี่ไม่มีร่างกายมีนามขันส่วนหนึ่งขันนี้ไม่รู้พูดถึงใครไม่รู้อาจจะเป็นพวกพรมพวกพรหมนี่จะรู้เฉยเฉยมีวิญญาณขันอย่างเดียวขันอื่นไม่ทำงานสัญญาสังขาร ไม่ทำงานมีแต่เพียงแต่รู้เฉยๆอันนี้ก็เป็นพวกพรมก็ได้พวกหนึ่งขันก็คือพวกพรมพวกสี่ขันก็คือพวกเทวดาพวกห้าขันก็คือพวกมนุษย์กับเดรัจฉานถ้าเราวิเคราะห์เอานะจะ ถ, ถูกหรือจะผิดงงางก็ขอคมาด้วยนะถ้าผิดก็ย่ามาดาคำถามเจา้าคุณพรพันธ์นะครับ ฟังแต่คําสอนของท่านพระอาจารย์และพระรูปอื่นๆและสวดมนต์แต่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยจะเจริญปัญญาได้ไหมครับก็เวลาฟังเทศก็เจริญปัญญาลนะ่ะเพียงแต่เป็นปัญญาขั้นต้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือนเหมือนตอนเป็นต้นกล้า ย, ย, างยังไม่ได้ออกดอกออกผลต้องหล่อเลี้ยงให้มันเติบโตโตขึ้นไปเป็นปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงสุดถึงจะออกมารออกผลได้ แต่จำเป็นก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นต้นก่อนก่อนที่จะเป็นปัญญาขั้นใหญ่ขั้นโตได้เราก็ต้องเอาเมล็ดพืชไปใส่ในดินเพื่อให้มันงอกขึ้นมาเป็นต้นกล้าก่อนพ อ, อมันได้ต้นกล้าแล้วเราก็หมันพรวนดินหมันรดน้ำหมันใส่ปุ๋ยประครับประคองมันไปเดี๋ยวต่อไปมันก็จะโตเป็นปัญญาขั้นสูงสุดได้ปัญญามีสามขั้นขั้นแรกเรียกว่าสุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างวันนี้ญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยได้ปัญญาไปอันละได้ได้ปลูกละได้ปลูกเอาเมเล็ดพืชใส่เข้าไปละรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนิจอ น, นิจังทุกขังอ น, นัตตาเป็นอะไรขั้นต่อไปก็เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆไปเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอ น, นิจจังมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมัน อันนี้ก็ขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายาปัญญาเอาไปคิดเตือนใจสอนใจไม่ให้ลืมถ้าไม่คิดเดี๋ยวมันลืม <c oughs> ก็้องไปคิดบ่อยๆแล้วพอถึงขั้นที่สก็คือเวลาไปเจอความแก่มันก็จะทำใจได้พอทำใจได้มันก็เป็นปัญญาขั้นที่3าอันนี้เป็นปัญญาที่ทำให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์เพราะเรายอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตาย เราทําใจให้เป็นสมาธิทําใจเฉยๆปล่อยวางมันหรือว่าเวลาใครมาดา่าเราเราก็ทําใจเฉยๆพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปโกรธรับเวลาใครชมก็ไม่ต้องไปดีใจกับเขาก็พุโทโธพุโทโธไปทําใจให้เฉยๆแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กลับเรื่องราวต่างๆอันนี้เป็นปัญญาขั้นสูงสุดแต่ต้องเกิดจากการเริ่มต้นที่จากการได้ยินได้ฟังอย่างที่เรามาฟังกันวันนี้ เราต้องมาศึกษาเอามาขอปัญญาจากพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่มีปัญญาของเราเองเราก็ต้องมาเรียนจากพระพุทธเจ้าแต่เรียนแล้วก็ต้องเอาไปจำต่อเอาไปท่องจำไหมถ้าไม่ท่องจำเดี๋ยวมันลืมพอลืมแล้วเดี๋ยวไปเจอความแก่ก็ตกใจเลยเจอผมหงอกก็รีบถอนใหญ่เล ย, เยงอนห่อกมากๆ ก, ก็ยอมมันเลยสแสดงว่าไม่ยอมปล่อยวางความแก่ยังไม่ยอมแก่ ถ้าคนยอมแก่ก็ปล่อยมันไปมันจะหงอกก็หงอกมันไปมันจะเหี่ยวก็ปล่อมัเหี่ยวไปเวลาเจ็บก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาวิธีรักษาแบบวุ่นวายก็รักษาไปตามมีตามเกิดรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่ก็มันไปถ้าทําใจได้แล้วมันจะไม่ทรมานที่มันทรมานเพราะมันมันไม่ยอมให้มันเจ็บไม่ยอมอยากจะให้มันหาย ถ้าไม่หายก็ิก็จะไม่หายจากความทรมานใจแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเจ็บก็เจ็บไปเราก็จะไม่ทรมานรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็อยู่ก็มันไปความตายก็แบบเดียวกันถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะปล่อยวางได้แล้วเราจะไม่ทรมานกับความแก่ความเจ็บความตายอ่ออออานได้ไหมคำถามจาก YouTube. YouTube, ายูทูบยูท u บ e ลน์ยูทูบเป็นภาษาอังกฤษนะครับ I would like to ask t e n j i n to s h a r how to avoid the dangers of deep meditation. As the past two days, I have read and listened to Tama, which highlighted this trap of Mara. Deep meditation. The dangers of deep meditation. As the past two days, I have read and listened to Tama, which highlighted this trap of Mara. I don't know where you get this uh, this information. First of all, I don't know what you mean by deep meditation. Secondly, I don't understand what do you mean by the trap of Mara. So uh, I cannot answer your your question adequately. First, you must explain to me what do you mean by deep meditation. Secondly, you have to explain to me what do you mean by the trap of Mara. Then I can. คุณอินซีย์กรูปแดงถามอีกว่านั่งสมาธิห้านาทีแต่ไม่สงบได้บุญไหมครับก็ได้บุญตรงที่ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายไม่ได้ไปได้รักษาสี่ห้านาทีเวลานั่งเฉยๆก็ไม่ได้ไปทําบาปก็ได้บุญตรงนั้นแต่ยังไม่ได้บุญจากการนั่งสมาธิเพราะยังไม่สงบ อาจจะได้บุญจากการเจริญสติยังห้านาทีก็ถ้าเจริญสติก็กําลังสร้างสติขึ้นมาอยู่ก็ได้บ้างแต่ยังไม่ได้มากถ้าอยากจะได้บ้างต้องให้มันสงบถึงจะได้เต็มร้อยคาถามหมดแล้วครับพระอาจารย์เอ่าหมนแล้วนะไม่เยอะไม่น้อยนะครับวันนี้พอสมควรวันนี้ก็ธรรมะก็เต็มที่เลยช่วงแรกก็เกือบชั่วโมง ช่วงหลังก็สีสิบห้านาทีทางบัทางแถวนี้มีใครอยากจะถามยังไหมถ้าไม่ถามเดี๋ยวปิดประชุมแล้วห้ามถามนะ <c oughs> ว่าเหนื่อยนะเอายกมือว่ามานั่งพูดโทพูดโทแต่กอ่อนมันก็ปรุงสรว่าวันหนึ่งพูดโทหายอะฮะแล้วมันแล้วหนูก็จะทำยังไงแล้วหนูก็มันมันหายไป มันมันไม่ยามพุดโธอ่ะแล้วเป็นยังไงมันก็เฉยเฉยไม่ต้องทำยังไงอีกก็ไม่ต้องทําที่พูดโธก็แค่มันเฉยไงพอมันเฉยแล้วมันก็หยุดพูดโธอ๋อไม่เป็นไรมันก็กลัวพุทโธหายไม่หายหายได้แต่หายต้องให้มันสงบไงเวลาสงบมันจะหายมันหยุดไงเหมือนเวลาเรากินข้าวเนี่ยเวลากินข้าวถ้ามันอิ่มแล้วก็หยุดกินใช่ไหมอ่ก็เหมือนการพุดโธนี่ก็เหมือนกําลังตักข้าวอยู่กินข้าวอยู่พออิ่มปั๊บแล้วก็หยุดพูดโธ พอจิตสงบพอพอจิตเฉยไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็มันก็หยุดมันก็สงบงก็เดลยก็จะให้มันเฉยๆไปเรื่อยๆให้สงบไปเรื่อยๆอ อ, ออกมาก็รักษามันต่อให้มันเฉยๆแบบนี้ไปเวลาใครพูดครอะไรเราก็ได้เฉยๆได้กลัวไม่เฉยเลยพอใครเขาพูดแล้วปั๊บ ก, ก็เต้นขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> ถ้าไม่เฉยก็ต้องพุโทโธต่อถ้ามันไม่เฉยก็ต้องพุทธโทมา มันวุ่นุ่มเป็นอะไรมันก็พยายามท่องมันพุทธโทอีกเอาอไม่ต้องท่องนะถ้ามันไม่ถ้ามันเฉยมันสบายมันไม่มีความรู้สึกวุ่นวายใจไม่ได้คิดวิตกกังวลอะไรกับใครก็ให้มันเฉยเฉยไปเราวพยายามหัดใช้วิธีนี้เวลาไปเจอเหตุการณ์เวลาเจอใครก็ดา่าเราก็เฉยเฉยไปเวลาใครก็พูดอะไรที่เราฟังแล้วไม่พอใจก็เฉยเฉยไปถ้าไม่เฉยก็พุโทโธไป พุทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็เฉยเนี่ยพูโทโธดีตรงเนี้ยทําให้เราไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครใครเขาทาอะไรเราพูดอะไรเราไม่ดีกับเรามันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราเฉยเราก็จบถ้าไม่เฉยเดี๋ยวก็ไปด่าเขาไปว่าเขาเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันนะพยายามทําใจให้เฉยอยู่เรื่อยๆกับทุกอย่างแต่ไม่ได้เฉยเมอนะแต่มีหน้าที่ก็ต้องทํำนะ แต่ให้เฉยกับเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ควรที่จะไปยุ่งอไม่ควรไปมีเรื่องมีราวกับใครไม่ถึงควรที่จะไปทุกไปเดือดร้อนกับอะไรกับใครให้เฉยอย่างนั้นแต่หน้าที่เราต้องทํามีหน้าที่ทําอะไรก็ต้องทําไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ใช้พุทโธแล้วอารมณ์ไม่ดีก็จะหายไปเหลือแต่ครับใจมันก็จะเฉยหมดนล้วนะ อีกข้อหนึ่งครับอาจารย์จากจุตปัตมาพรนะครับถ้าเกิดเราอยากได้บุญจากการนั่งสมาธิถือว่าเป็นกิเลสหม่เจ้าค้าพโยมคิดว่าเพราะอยากได้บุญความอยากได้ตัวนี้นะคะ <_ d> um> เอาความอยากที่ไม่เป็นกิเลสก็มีความอยากทําบุญความอยากนั่งสมาธิ <_ d> um> ความอยากหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นความอยู่เป็นความอยากที่ไม่ใช่เป็นกิเลสท่านเรียกว่าเป็นธรรมหรือเป็นมรรคเป็นทางสู่การหลุดพ้น เราต้องมีความอยากหลุดพ้นก่อนเราถึงจะหลุดพ้นได้เราต้องอยากนั่งสมาธิก่อนเราถึงจะได้สมาธิแต่การอยากในธรรมนี้ถือว่าเป็นมัคเป็นประโยชน์ไม่เป็นกิเลสความอยากได้ราบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางร่างกายนี้เป็นกิเลสเพราะมันจะทําให้เราทุกข์แต่ความอยากทางธรรมนี้จะทําให้เราดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจมันไม่เป็นกิเลส เข้าใจแล้วนะคิดว่าหมดแล้วนะวันนี้ก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ